สิะะวะอระหะโตสมมาสมุทัสสะิสานะตสายะตุอุสะสัวัตตกรจะสสทิานิโตสัวต เจ้า e ีอาทิสันตานิพันสารวัเสนีกมสัสนววัรสมารถทุลายโวัตัสวารุานาายนันนาสััส สุตนะมัตตุ้ะพุทธศาสนายู่ารจำเพิ่มแต่วันเปรติพานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นีเซนแล้วสองันหรอยสสี่พรรษา ตระใจโยมบรรณสันไม้สกิทาโยนามาเจอิอที่สีวันพุทวันนี้เป็นปฐมบรรวาณเราพระเจ้าเสนาจารย์กลางจำเลยแตวันเปรย์ผ c านแห่งองค์ตนเล็กตัวีศักาชญานั้นในนัยอัทพระมบรสัเจอจารณ์ดลับได้ด้วยเสด็กา นะโมตัสสะสสุวะโตอระหะโตสมมาสมปุตตะนะโมตัสสะสสุวะโตอระหะโตสมมาสมุะนะโมตัสสะสสุวะโตอระหะโตสมมาสมปุตตะสิปะนังพระมังสุขังสี นาโอตาสบัดนี้อาตมาภพาทพสัสทสนเดงจพระสาาพัพรมเทศนารานิพพานคาถาเพื่อเป็นเครื่องส่งองค์สัทธาบริภูมิที่รันดาทานิสันราคาละเบลีทังหลายล พ, พร้อมใจกันมาบําชึงคุสุลในจำปัด วันพระขึ้นแต่ขั้นวันที่สองทำให้ว่าบรรดาท่านก็จะมีสัจธหลายทุกคนมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จไตรจอมไตรบรุมตาชดาสมมาสเจ้าบเจพากันปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำององค์สมเด็จพระบรุมาโลกคีต์เวาวันนี้ตังใจจะเชื่ยนลิขา อันนีานุาณีสักแปลวัดดับให้ใจสกบไปมนหลายว่าแค่เดัมนี่ตัวอนุภาณีดับกีเล็มีปันญาขั้นเหลือบ้างดับกี่เล็กจะมีบัญญาขั้นเรลือบ้างอนุาณ์ับโยกะซาบ้างแต่ถ้าว่าในวันนี้ียาขอพูดอนุภาณ์มาจากขันเรื่องสำหรับธรรมวิจารมันโดยไสวจันดาสมัยสมเด็จเจ้าทรงแสดงไว้ ทรงสำเร็จใจจารยบพระมสาสัจธวามนิพพานนางพระมาสุขังเป็นปราดเปรยความว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งะตว่าใิพพานนี้โดยกา้มีความเข้าใจเสื่อมเท่าัาแต่พระตบเลยสักพูดไม่ทรงสำเร็จคำพู่มีพระผาดเจ้าตรัสประจุดอย่าว่านิพพานนางพระมารุขังเป็นปราดเปรยความว่านิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่ คำาบศูนย้นที่หนึ่งโดยมากศสนที่แปลศัพท์มัจะซักศัพทให้สับสนแต่ความจริงาได้ศูนย์นั้นกอแปลว่างนั่หมายความว่าบุคคลใดที่เข้าถึงนิานได้เ้องว่างในหนึ่งสามรายการนี่นคืว่าจกโลภสองว่าจะโทสะสามว่าจะโมหะเพราะว่าโมภก็ดีทัก็มีโมหะก็ดีทั้งสามรยการนี้เป็นรากเหงาของความชั่ว ทเรหยอยู่เลยเขาไม่อยู่เลยก็คือความชั่วความมวมองจิตที่ราจตคิดั่วเื่องเล่หอบัเพยวสเ็จ่งเรืองโสรสองตดรี้วนับริมานไม่ได้แ่งสมเด่ามใก็งัว่าีเลห์นดยย่ทั้งหมดจกล่าวรวมแล้ววได้สามสปความโลภความโกรธความหลง เพรา้นฉันก็พระพุทธองค์ยืนสันกันว่าถ้าจิตของบุคคลใดว่างากกิตเนรทรรมในการารี่นรู้ท่าความในโลกไม่มีในจิตโทษาความโกรธม่มียูในจิตโมหะความหลงในเนรไม่มีในจิตอย่างรู้สันเลยประดมหมสายนิพกล่าวว่าเป็นผู้มีความว่างากกิตเลยได้ทำมาพิพากานางประมารณ์สนอย่างเรียนรู้ตายมาทำว่างอย่างนี้ ในเหตุโดยสารโดยการนี้ว่าไปจากใจความสบายใจก็ปรากฏความปอนใส่ข้งใจก็ปรากฏเมื่อความสบายใจความ่ส่บกดโอสมเด็จพระอรหันตระ้าจวาลิานาประมาสุขหากาเข้าถึงบริารไ่เีงความสุขอย่างเดียวอนะ้จะถายเราว่านิขานมีสภามีสภาวะหรือไม่มีสภาวะ ตอนนี icana, ้สมเด็จพระสัมมาสุทิเจ้าเคยจัดจัมบรดาสที่เข้าถามองค์สมเดจโตผูมีสภาท่าเจ้าอย่างพระโมกคัลราชเ่นต้นพมะมมคคัลได้เคยถามพรมเจ้าว่าคนตีพระวาท่าใดองค์สมเด็จโตผู้มีสระทาเจ้าผู้จะเรียพระพุทธเจ้าคนที่ถึงขานนี้แล้วที่มีสักภาพโสรท่ไหม ในสภาพเช่นอย่างนี้เดยคำ่าลิปานีไี่นี่น่เป็นลิศหมายยนิจโยนั่นใช่ไหม่เราคัดต้งเห็นพระรูปสาวกันดาจึงจะมีพระปิกาักว่าโมคราชดโมฆราชคำว่าลิปานีเป็นฐานที่พิเศษคือได้มีการเกิดอีกมีแก่อีกเพื่อเจ็บอีกเพื่อตายอีก่สภาพสู เวลาเดลยวสมมติราบมีความเปรียบเทียบว่ า, า, าพฤติการเมือนฟัปที่รอยในากาศใช่ไหมสมมติผู้อมใจก็ตอบว่าไม่ใช่ได้ต่อมาแค่อีกคำถามว่าพฤติการมีความเกิดไหมแล้วผู้จ่ายก็เสนอว่ า, าพิติการในช่วว่าเกิดก็ไม่ใช่เพรว่ า, าไม่เกิดสมไมใช่ถ้าใช้คว่าเกิดก็ต้องมีคามว่าตายเป็นของคู่กันถ้าหากไม่ใช่คำว่าไม่เกิดต้องสภาวะมีอยู่ ดังสัญพักษณ์ของเรามาคือเรียว่าพัะนิานัดว่าเป็นทิศทีุ่ดคือที่จีอยูมีสองอย่างคือโลกทิศนี้จะเป็นทิรโลกคือโลกเป็นที่น่าชมว่าโลกเป็นโลกทิศไหนกันทั้งสออย่างนี้เกิดขึ้นจากสภาวะอันเป็นทิศคือรู้ว่าเกิดได้กำลังของบุรุษดังหลับไปโรกเกิดขึ้นได้กาลังของปานบ้างของศีลบ้างของวาระสมาธิบ้าง สำหรับโลกคนที hmm. ่เก <Oops. S 2> ิดไต้นั้นก็ต้องอาศัยารสมาบัติโลกถ้าโลกทุกเงสองเองนาการที่มีการเคลื่อนหมายความว่ทั้งหมดปัญญสัญนาบารมีก็ต้องจากไปไปเกิดจิตไปเกิดเป็นคนบ้าเป็นสัตร์บ้าเป็นสรพหรรถบ้าตามกฎของกรรมสำหรับติธานในผิวอวัปวนที่จิตเกิดขึ้นไปแล้วไม่มีการเคลื่อนมีความอยู่โดยจิอารมณ์ิดหนึ่งที่มีนเป็นความหลั่งนิิพานก็ไม่มี โดยการนั้นอ์สมเด็จพระบรมเสจยุทธอง่ววิพานัประมาสุดแข็งไม่พานองศักดิรใหญ่ยงกรณการทำยังไงเราจะเข้าถึงที่ผานไม่ได้เองสมเด็จพระกลาว่าคนทุกคนมีความดีพอที่พะพิพานได้ทุกคนตามมีองค์สมเด็จพระเทพรัตน์ทรงตรัสในสมัยเมื่อทรงทสลงพื่เมืองประตูเมืองเชงกตนคร วันนั้นด็จระวทสดงยุปฏิหารพิเศษบดาให้ก็ดีเทวดาก็ดีมนุษย์ดสัตว์กดเศกิจกรสรกุศลการาเห็นกันหมดบรดาโกหลายรูมรดกนวายกระยงทุกสิงกกเรื่อกโลกมีความสุข และประวัตนั้นเองใค้พู้กนนี่หลายต่างคนต่างก็ได้ยินต่างคนก็ต่างก็รู้เรื่องต่างคนต่างรู้ภาษาต่าเป็นเหตุว่าสำเร็ระละกวันเป็นที่เป็จิตยุ่งหมายคือปลุกใจพระมินดาไปชาชนหลายในตอนนั้นึงท่านพูดถามว่าคนที่ท่านจะไปนิพพานได้จะพราะเวดาที่ทรงรมนุสนั้นใส่ไหมทรงฤทธิ์ในใจยังในสายธนรมดก็ทรงฤิ์ว่าการที่ไปนิพพานได้ไปได้หมด ตัวง ก, ก็บริพารได้เทวดาก็บริพารได้มนุษย์ก็บริพารได้สัตว์ก็บริพารได้ขมใบสัตว์ก็บริพารได้ไ ด, ดยงที่ในองค์สมุดิระจัญชีตัหมายความว่าสัตว์ทุกตนที่เกิดขึ้นตั้งแต่สัตว์ใหญ่สัตว์เล็กต่างกได้สิ่คนรคนสร้างการที่เดียผลสร้างความชั่ว ถ้ากำลังของกรรมหลักจียงๆพาคนลงนรกไปก่อนเป็นสัสนตว์รกแล้วกรรมเบาที่มันไหลเมืองผานจากนรกก็มาเป็นเศษจิตใจก็ยังมีความรู้สึกอย่างคนเมื่อกรรมเบาไปนิดหนึ่งท่านด้วยความในโนเกิดมาเป็นกายความรู้สึกก็มันเป็นความรูส้สึกเท่าคนเพ้าใจมันใจคนจากอกายก็มาเป็นสศษฐานจากสัตว์นร่เสัตเศษกาย ใจความรู้สึกความต้องการหุ Camp, ่นใจก็ใช่บ <No. S 1> ับคลผูสิบเนสิคนพระองค์ได้จพระเทพรังสวาว่าแม้จะเทนวดาภมรศัตว์ชนสัตรูเขาสามารถบริการได้ทันโอสมเด็จพรจอมไตรยสัจายความเป็นจริงด <re inconven iente> ังดะเห็นเล้ว่าตามที่มันดาเทพมุทริศชายในหญิงอาจจะเคยได้ยินกัเสมอว่ามนสมัยแคมเรียงสมเด็จพระพุทธมีพระท้าเจ้า เขาเกิดเป็นพญายี่ห์แต่ควาจริงจะเรียกยี um ่ห์เฉยๆก็ได้เพราะว่าทายี่ห์นั้นเขาไม่สกปรกเป็นพญายี่ห์ไม่ใช่ไม่เรียกว่าพญายี่ห์ตะเพราะว่ามีฝ่ายสลายน้อยกวี่์ธรรมดาถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูจะมีความเลื่อมใสในหลงพระเจ้าศาสนาในวันหนึ่งคือว่าทักษะสมัยนั้นบวชเป็นดาวบทชเขาก็เเจ้าเป็นเฮย ก็ไม่จำเลยสาจะเย็นสมือนทำอยู่ก็ใช้กับโองไม้ทุ่ใหญ่เหี้ยอยู่สำเร็จทุกเรื่องสูในเวลานั้นเป็นอย่างไรก็จริยาแต่ถ่าใจเปคนคนทึงวิสัชทุกตรงที่มีสภาพเช่นเดียวกันจะคิดว่าโดยใจเหมือนคนแต่เฉพาะพุทิศักดิ์ทำามได้จับเพด่อแพทย์จะลืมว่าจิตใจก็คือจิตใจคนถือว่าอยู่ในไบปุ่มกรรมทั่วบังคับ ถ้าอยู่ในสัส้นของสัตว์ยังมีความปราชนาไม่สมหวังเป็นกข้กโลโทในขัะพระยาเยื่ยแล้วออากโคเอกมาเห็นดาบทมดเุมจุ้ยวันทีกลัดร่องหลักตาก็มีความเดินใสว่าท่านคนนี้มีกำลังใจโสูงทํตัเป็นพคตรปรากฏทุกความบริสุทธิ์กิจขณะที่ยาเลบอกว่ากกทำไมสามไม่เวลาจะไปหาจีน่อเดิเดย้อนมาที่ดาหมดก่อน มาถึงตรงขุ้หน้ารถค้มที่สะลงกับพื้นสามครั้งเป็นการแสดงความเคารพต่อการสาววพัหลายจากนั้นหลอ่อพระบรมมังกรโพธิสัตว์ย่งเร็วไปเลายกับมาเข้าที่โยไสก็ทำาช่นเมือนกันทำอย่างนี้อยู่หลายวันปรากฏว่าในกานนั้นในวันต่อมาดาบขึ้นในทรงพระตาสาววพัดเพราะว่ามีใจเลวส่ชืาา่ชาเสาวาัต เกิดอยป่ารู้สึกว่าเราอยู่ในป่านีกินแ้่หัวหมืกหัวมันกินแต่รูปไม้ใบไม้เนื้อราไม้อาหารที่มีรสอร่อยไม่ใช่กินขอตัวเองเลยเพราะว่าเท่เที่ตัวนี้มันอ้อนดีนะต่งานนะแต่น่าก็เอาเหมอนกันนะเทเท่ยนี้มันอ้วนดีถ้าเราดูสี่เหลียมมีรสอร่อยมากกนแล้วเวลาตอนกลาวันผูเที่ยยังไม่ออกมา เ็ท sure. anyway, so like, ี the gone, ่อาจารย์ไม่กลับมาจะทำการหาสิ่งบารคนคนนั้นก็ไปเก็บเส้นเส้นแก่เอาเส้นแกมาเก็บห่อเข้าไว้ไว้ใใกล้วันรุ่งเช้าก่อนที่ยู้ให่เฮียอมมาก็นั่งหลับตาเ้าสมาธิแต่ว่าจบอกไว้เลยจีวอนมือคุณไดใกล้ตั้งใจว่าวันนี้ข้าจะเฮียตัวนี้ มันบอกกลหัวต้นหน้าตักเรามาไ่ยเราจะตีให้มันตายแล้วก็จะแจงก็พยายามย้อนไปวัอให่ที่ซงที่ว่าพระโพธิสัตว์เกิดอะไรก็มีวารสลาดั้นในเวลาตอนเช้าองค์ขุนพรมมลรุ่กกัน่าเป็่อถายเยียโผล่ที่าออกมาจากโผลงตั้งใจวะเข้ารมทำกิการดาบทคอยเยอคนนั้นเพราว่า ม่ดงช่นเดยยาที่่ามไปแล้วตาท่าดาบทหลับไม่สนิทเือนก่อนิานิดว่าดาบนี้่าจะมาจุองแล้วเป็นหน้าไว้ใจสงบโผล่ขนาหม่ขณะเทวพัีตาเจ้ามองอยู่แ่เส็าคือเมตโธวบว่ามนใจใจ้ว่อยงลยัน ไม่ออกมาตามเคยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มาแต่ท่าถ้าหลับตาไม่สนิทจแบบนั้นเพราะว่าละหิ้สสมเด็จพระสวรรคตเขาโศกพอจะโศกอีกก็เห็นตาเทวพัดหลับไม่สนิทอีก็ขุฝกเข้าไปใหม่ในรุ่องดาวบอกเทพัดเจ็ใจคิดว่าไอ้ใจเหี้ยตัวนี้ท่านคงจะรู้ว่ากูจะฆ่ามันถ้าออกมาตายหรือไม่ทันที่เราจะถูกกบตายจะมาฟ้าไม้สร้างกบตานให้มันตายเราจะกินเลี้ยมมัน ก็เป็นการคนดึงที่เรวสมเด็จพระชงคันดึงที่ยายเฮียตัวที่มาเป็นเวาถึงสามย่องมองพระเทวทันเห็นหลับตาไม่สนิทพอสมเด็จก็จะลอยสายมือเจ็ดึงที่สะเขาถึงแล้วจะคว้าไม้ข้างไปทันทีแต่ด้วยความลยวอลสมเด็จพระจนทร์สีพระเทวทัพคว้าไมเถูกเออโซมาเนี่ยมันไม่อยูใกล้ในน้ำเราคว้าเอาไม้ข่างไปเราสมเด็จไปจามตายหลบมันก็ไม่ถูก ถ้าจะไดโหมาดูกาว่าสวะรค์ท่านทรงข้ากายสาวพระจิตข้ายอมรับฝ่าไเชิเทวทัตข้อละหนึ่ต่ว่าจิใจของท่านนั้นดีกเราซึ่งเป็นเที่ยงผู้ดูงานะวังไม่ให้กินเที่ยงว่าเที่ยงจะดาวนะเออบันดาบุบันดาบุตรตไบริันหลายโดยขึ้นน้าึชื่อว่าสัาใจคว่าเัต์เปสัามตามเสมอไปนัไม่ได้ที่จิตใจเป็นคน เราสำเร็จพระพุทธศาสนาจนแบว่าแม้แต่ใก็สามารถจะบริการได้ผลดีความีเพราะว่าชาตชาหมดเค่จำนวะก่อขก้นกำเลยที่ก็าต the ้องใช้หมดสิ้นแล้วคนชาติหลายนายนึงก็กับมาเกิดเป็นคนสามารถบริการเข้าสึงก่านได้พรการนี้เาถานนิงสมเ็จเยจอมไตรบริษัสันดาคมตัดไว้เป็นขแบบด้วยกันก็เสี่แบบด้วยกัน เค้ืแบบที่หนึ่งคือสุขารุปตะโกแบบที่สองเปริโแบบที่สามสารีโยแบบที่สี่ปัญธทัตตะโตสหับแบบที่หนึ่งชื่อง่ายแต่ทายากตือปฏิบัติแล้วไเห็นนไาใหญ่สลภาพตาอ้าดำโกธาเดรย์แบบที่หนึ่งที่จกล่าวไปจะกับบรรดาท่าพุทธบริสัทธ์หลายทมาอยู่เวลานึงข้าไม่เลิกก็เป็นนิยเหมือนกัน แบบที่หนึ่งก็เด้กันหนึ่งทานสองศีสามภาวนาทำใจแบบสบายเพราะว่ากิเลสสามประการนี้จะตัดแต้มลายพุทธิพันเนั้นทาการให้ที่บรรดาลได้ผทบริสุทธหลายถวายกักษาคนดีให้ไปคนยากใจจะดีให้ไปคนที่มีความลาบากก็ดีให้ไปสัจจสคนดีก็จากชอวิตธราน การให้ทานถ้ามีความมุ่งหมายอย่างอื่นจะพลาดเป็นนิพานป็นนิสัยจะทาไมมากนักถ้าจิตใจเครืองดาญพุทุศักดิ์ใจโดยเฉพาะเพื่อไปกิเลที่เสมบทเจริญสมาธิคือาการให้านตัวนี้เราให้ปรื่อตัดกลาความโลภติอยู่ในจิตเร้าเราได้เสี่ยงจะกบกบเราให้ไปเมื่อหลังผลตอบแทนใดในชาติตับังสาหรับท่านผรับ เขาจะนำไปใช้หรือเขาจะนำไปทิ้งมันเป็นเรื่องของเขาแต่กาลังใจของเราตัดเรื่องใหญ่ความฝุ่มัดในทักษมั่เกินไปไม่มีใิตยาลูกผลิตการรักษาลูกคือวัระความโลภเป็นการตัดทีเด็ดตัวท่สำัญลากเ่าใดลากเเราสม่โดยทัวการรักษาสิ่งการรักษาสิลนั้นจะว่าอาการเป็นลก็ประโยชน์น้อยเป็นที ถ้าสอาสอนื่าปลานาจูปาตาเวแล้วมันเลเากปาชัปลามาเราก็ปลาไปให้ไปหานะตายคนตางปลาตางค์ไม่ได้อะไรถ้าเราเรียสายกันได้จริงจริงแล้วก็จะต้องรู้พื้นฐานของสินพื้น่านเยอจะมีสินได้มันมีอะไรอยู่บ้างตกใจลับจะดให้มันอยู่เพราะสินนี่ตัวสับโทรจากความตัวเครตัิเลตัดสิหล ถ้าส่เสื้อผ้ามาทานมันก็ไม่ตารกับลูกแก่หรือคุณพออหรือก็สอนพูดประโยชน์มันมีร่วมกันแต่ว่าไม่ได้หนอึ่งเลร้อยถ้าเรส่จะให้มีแล้วก็ไปนิพพานได้เพิ่งจำไม่ว่ า, าศีลที่ยังมีซึวลตใจได้จำง้วยเหตุสาในกายคือหนึ่งไม่ตาความรักใองขุนนายความโสดสามสันหลดจรีเพราะของที่เรามีอยู่แต่จะต้ มายความสิ er ่งที anda, e, ่เราหามาได้เองโดยชอบทำในเราดีๆเราไม่ยืนีในทัว์หือวุฒิผลอื่นที่เราจะรับจะจะเอาหมดต้อถ้าวอาจารย์ภาษาถือให้ถึงจะทรงจะได้จริงจังไม่จสัตว์จว่าแต่เมืองนีงได้ตาตามรักจิตคิดได้สมัยว่าเราจะเป็นนิกิตดีของคนใสัตว์ทั่วโลกแต่ไม่ยืนดีแม้โดยใจรักใครไม่ได้จะดกับใคร เราเขาหาสมาคมุคนอื the state, ่นนั้นเหาตัวเราเองเราจะรักคนอื่นหรือเรารักตัวเราเองเว้นไปมันก็ไม่ีรายการเรื่สองจคิดเปนสารหวังเกียวให้มีคาสุขคิดว่าข้าเราเป็นสารตัวเราเท่าไรเราก็สปสายเขาเท่านั้นเวนไว้แตเรื่องจิตระเยที่นยระเินก็ต้องลงโทษกันตามระเยี้ยพระพุทธเจ้าลงโทษก โลภพระพู้ความเมตตาตารหนึงคื่องไม่จะเร็วเกิดเป็กว่านั้นอย่างนี้เขาไม่ถือเรืความโกรธในเขาสามสันโหลดยินดีอยู่เพราะสัอสงที่เรามีอยู่โดยชอบทำและยินดีอยู่เพราบุคคหรือคนรักที่เรามีอยู่ในครอบครมเม่รู้เสืคนนักขุมวุกุตอีกด้วยการแสวงสินพระบรรดาแต่พระตระกู้ศัตรสาสินได้สามรายการอย่างทัวตาความโกรธแล้วก็รัลอง ทุกวันทุกวันแม่จีนมาเราก็ตั un, ้งใจเรื่องความโกรธอยู Lynch, ่แล้วความรักเป็นการตัดความโกรธความสงสารเป็นการตัดความโกรธความสงบเป็นการเหตุผลเปนเหตุตัดความเดือดร้อนเปนความสงบขอคนเราเอการรักษาสิ่ในมือองค์สมเด็จพระจุลินทร์กล่าวว่าค่อยๆรักษาไปเรื่อยๆคามใจสบายจมเบาจินตฤกษ์สุโธสาต้องลดๆค่อยๆลดไปในที่สุดเราจะยัหมดตัวเองไม่ไดได้สุขเขาจะโก การภาวนาไม่เดียวเขาต้อง เ, เด็กใจจแต่ว่าเรื่องทุกขภาวนาได้สุขอนุสโจนี่มีทายสมาบัติเรื่องต้นในโสเรื่องท้ายอารมที่นี่ที่เจรนาตั้งแต่คำนิกาสมาธิพยายามปกติเราให้ทานคือว่าคนที่เราให้า ท, ท, ท า, หานทุกคนเมื่อเขารับ่านมันแล้วเขาก็มีความสกในการบริโภคทานเพราะว่าเราผู้ให้ทานก็ดีเขาผู้รับทานก็ดี คนต้องร้ายก็หมดนี่ไม่อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเกิดขึ้นมาอะไรให้ลุกเคลี่อนไปค่อยๆเคลื่อนไปทุกวันวันในที่สุดก็ตายเหมือนกันผู้ให้ทานก็ตายผู้รับทานก็ตายแล้วเกิดขึ้นมาชีวิตอย่างนี้พระพุทเจ้ากล่าว่าชาติทุกข์ขายความเกิดเป็นทุกข์เราเกิดมาเราต้องทํามาให้สิ้นเราต้องบริหารร่างกายเราต้องรูความรู้ความหายปวจาระปวดสภาวะมีความหนาวความไม่นเกินไป อาการทั้งหมดนี่ม uh ันทุกข uh ์เราช่วยให้ใครก็ทุกข์ช่วยรับใครก็ม uh ีทุกข uh uh ์ไม่มีใครที่มีความสุขเดยวม้ความแก่เข้ามาถึงเราก็ทุกข์ความป่ยไข่ไม่สบายเข้ามาถงรก็ทุกข์ใความจัดเป็นนไม่สงหวังเข้ามาถึงราก็ทุกข์ความพักาจากของรักของชอบใจเข้ามาถึงก็ทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็ทุกข์งความร้รากับเขาต่างคนต่างมีทุกข์ เรากับเขาต่างคนต่างไม่มีความอีรางแยกดีเรากับเขาต่างคนต่างตายอยาเป็นคนก็ดีจะเป็นใส่คนดีว่าสวชาท่คนดีว่โลกนี้ไม่มีอะไรเลยนี่เรียนบ้านนี้ก็ัชนาอยางโคตรสมถะเขาตสูขันเล่าต้องสุขกับุกข์ใัเจ็บและต่อใจจิตเป็นชุกน์อว่าถ้าหากว่าเรายังหวังความเกิดส่วนมนุษย์คดีไปเทวดาก็ดีเป็นกองคนดี เราก็ยืนเมาใจเกิดอย่างมิหาที่สุดสุดเสด็จได้เราเสนอรายการกลายเป็นบริษัสดรรลดาว่านิพพานเป็นสถานที่มั่นคงเป็นแดธรรมกาตเรายอมเชื่อพระธรรมกิตติสงขเพื่สจิตเบสโตหมดเจตปรหารมีทำลายความโลภโดยการให้ทานทำลายความโกรธโดยสิ่งที่เมตตามีเมตตาบรมีที่ตัง ทำลายควาหลงไม่สนายเห็นชิ้ว่าโลกนี้เป็น เ, ออษษษษษ เ, เพียงชาติเกิดวันแรกตั้งแต่เพียงเป็นทุกข์แปรนาคาในุษย์จะได้จิตใจว่นี้นปลอดภัยจากที่เดสอดร้อนในกาลคือโลกนั้โลกไม่มีพอใจความสดไม่มีโมหะความโกรธเป็น อ, อย่างนี้ที่ว่าเป็นนิพานนางประมาทส่ญยาวนิพพานที่ผ่านไปทำบ้านใหญ่ยือคือไรกว่าความเดือรดร้อนว่าเกความโลภว่าเกิดความโสดว่าจะิดความห ก็ถือปุดตระทินิพานนังประมังสุขเขาทินิพานเนสุขอย่างยิ่งไม่เลื่อนเชื่สายความเล่าร้อนมันมีปิจมัยสุขอย่างนี้กันเยทินิพานหังจากที่เรืงเป็นอย่างคำเหนือมีลายีกแสนนาทีปุ่นมากจนได้สอบกันนั่นไปเอาสำเร็จราการบรวารศาสันดก็สับนังได้สีโตสุนิพายามวิญญาหกุตสุนิพายาง ถ้าจะตัดาฏิบัติให้เข้าจะนิพพานเร็วรวดเร็วและได้กำไรมากกว่าือกาลังดีกว่าตัวอย่างที่บรรดาได้เข้าไปสัตหลายโดยชั่หน้าได้มนุนยุทิยแตคนต่างไปสึงิพพานแล้วไม่มีความสงสัยในคำสอนของคนปฏิบัติเจ้าคือคนทม่ไม่สงสัย่นําสอนที่เจ้ามีนั้นจะมีสิ้นบริสุทธิ์เขาเรียกว่าเป็นสุาราบาลนิพพิทาธรรมี แต่ต่อเราวางให้ดีให้สนวินจิผลิเรความอย่างนี้คือสิ้ค่าแต่สิ้นค้าบงิุทธิ์เพื่อพาถึงสิรพันาพรมารตาคนี้ได้พราไม่มีฟเสาใหญ่หงเลยไมได้เเจ้าทีพเจ้าบอกสวรรค์เลยิงเราเจอสวรรค์แล้วกรรมโลกมีจรงราเจอกรรมโลกแล้วผลิภานมีจริงเราเจอผลิานแล้วเราเสพสุรกายมีจริงเราพุทธแลทั้งหมด เป็นนากวิทยุคนมไม่สงสัยมนคำสอนขององค์สมเด็จพระสุรนารสกุลถ้ า, ม า, าไม่สงสัยม่คำสัยอย่างหนึ่งมีสิ่งห้าบริสุทธิ์อย่างหนึ่งจุดรักรพันธ์เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งอย่างนังนรียก ว, ว่าเปโสรดาบาลสิกากรรมมีการปฏิบัติในมโนยุีได้กาไรกว่าจะเข้าไปสุดโกดหลังจากล้นาบรรดาจะพุทธวสัทธ์มีความมั่นใจในองค์สมเด็จพระสุรินทร์มีศักดิ ทุกวันตามเวลาสมควรต่างคนต่างเอาจิตไปตั้งไว้ที่จิตผ่ามตามปกติตางเวลาจิดกว่างจะจิตเด็ดถ้าลราไปโยนที่นั่นหนึมม่งชัโมงจิตก็ว่าจะจิเด็ดวันที่จิตยังหนึหน่งชมมัวโมงเอ้าโยนที่สงชโมงก็มมว่างครึ่งชโมงแต่ละคราวจะรูว่าวันหนึ่งันได้หนึ่งครั้งวันละหนึ่งชัโมคิดวัน1ิดโมงร้อยวัน10อยชโมันวันพันชัมง ไม่ชาจิตใจก็จะมีความตื้นเชื่อมมีความเชื่อมกับการนั่งแ่กินเลยเนสมมติเดบหันตายเ่า่อใดก็ที่นิพพานมันนั้นอรรดาใะพระธรรมสัจพุทธันอาตมาทอดิุศนามาในนิพานในคาถาเราขอโยตีกธรรมะทุศนาลงคงไว้แต่ในตรงนีในิสุทธธรรมะทุศนานี้อาจจมาขาพขอตจ้าปฏิญาณอิฐานาคุณปฏิญาณจนัไตร มีพระพุทธละตระธรรมละตระลาสังฆระตระทั้งสองในกจขอจงดลบันดาลให้บรรดาเจ้พุทธบริษัทุกท่านมีวยความสุขสวัสดิ s, ์ที่พัฒนางคนสมบูรณ์ผนผลละจงจะเรียนไปรจากตัวพระพุทธอง์ใครด้สี่ประการมีเยืณสุขาพลลและบริการหาทุกท่านพงปรารถนาสิ่งใดก็คอได้กำลังสงสาปรารถนาสิ่พิธการ อาจมาพอาดรับทานสัศษนามานุตพาเรนุตพานภ า, ายเราขอฤทธิธรรมเิตธนาลงของไว้ตัเจ้าในมืสุเอว่าก็มีเจ้าก่าราชินี